อันดับตอนนี้ไปให้พากันตั้งใจตั้งใจฟังแล้วก็ตั้งใจกำหนดจิตของตัวเองตามไปด้วยเพื่อเป็นการฝึกถ้าเราไม่มีการฝึกมันก็มีแต่การฟัง ประโยชน์อันที่เราจะพึงได้มันก็จะไม่ไประสบการคือจะไม่ได้ไประสบผลผลที่เราต้องการเนี่ยจะเป็นการพังธรมก็ดีการนั่งภาวนาก็ดีอะไรก็ดีเบื้องต้นเราก็ต้องการความ สงบสุขนั้นะสิ่งที่เราต้องการนอกเหนือไปจากความสงบสุขมันก็ไม่มีหรอกเรื่องของธรรมะเราจะไปเอาผลอะไรที่ไหนมันก็คงจะไม่ออสมประสงค์ก็นอกจากว่า ความสงบของจิตใจแต น, นั้นละ่ะพราะฉะนั้นละ่ะให้พากันตั้งใจตั้งใจกำหนดจิตคือจิตของเราน่ะมันอยู่ตรงไหนก็ น, นอกจากตัวของเราอยู่ในสกุลละกายของเรา มันก็ไม่มีที่อยู่หรมันก็อยู่ในตัวของเราเนี่แหละอยู่ในกายนี่แหละจะเป็นหญิงก็าตามจะเป็นชายก็าตามมันอยู่กับเรานี่ยแหละแม้แต่ความวุ่นวายใครล่ะเป็นคนวุ่นวายแม้แต่ความฟุ้งซ่าน ใครแหละเป็นคนฟุง้งซ่านเราก็ดูเอาตรงนั้นนะ่ะก็รู้เอาตรงนั้นนะ่ะรู้ตรงที่มันฟุงนะ้งซ่านน่ะรู้เอาตรงที่มันวุ่นวายนะ่ะนั่นแหละตัวจิตจิตมันอยู่ตรงนั้นแนะ่ะที่เราจะนาความสุขสงบไปให้นะ่ะก็จะเอาไปตรงไหน ก็ตรงที่มันวุ่นวายนั่นะตรงที่มันพุ่งซ่านนั่นละนั้นละ่ะจึงต้องการให้เราท่านพุทธบริษัททั้งหลายเนี่ยรู้จับจุดประสงค์ของการปฏิบัติธรรมะและของการฟังธรรมะเราจะมาฟังเอาแต่ความรู้ ก็ได้แต่เฉพาะความรู้แต่ว่าความสงบสุขล่ะมันอยู่ตรงไหนที่เราต้องการความสงบสุขน่มันอยู่ตรงไหนเราก็ได้แต่เฉพาะความรู้นนะแต่ความรู้น่ยมันก็อยู่ตรงไหนอีกลเราก็หาศาสตรไม่เราก็ได้แต่ว่ามันรู้เฉย แต่ว่าต้นตระกูลของความรูนะ้มันอยู่ตรงไหนต้นตระกูลของความฟุ้งซ่านมันอยู่ตรงไหนต้นตระกูลของความวุ่นวายมันอยู่ตรงไหนนั่นแหละพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนให้รู้ทนะี่ท่านต้องการให้รู้เราจะต้องไปรู้ตรงนั้นนะตรงที่มันวุ่นวายนะ ที่เราระ ง, งับเราก็ระ ง, งับความวุ่นวายเนี่ยเราก็ระ ง, งับความฟุ้งซ่านสถานที่มันอยู่เน่ยมันอยู่ตรงไห น, นเราก็พากันเข้าใจกันทุกคนน่ะว่ามีหัวใจและก็มีใจใครๆก็มีใจแต่ว่ามันมีใจนั่นแหะ แต่มันมีอยู่ตรงไหนใจล่ะมันมาจากไหนและมันอยู่ที่ไหนและมันจะไปไหนแต่ไม่มีใครรู้นะมันไม่มีใครเห็นมีแต่ว่ามีกันเฉยๆนะที่นี่เราจะต้องหาความเป็นจริงในสิ่งที่ว่ามันมีนะมันมีอยู่ตรงไหน ความรูนะ้มันรู้ตรงไหนความฟุ้งซ่านมันฟุ้งซ่านตรงไหนเราก็รู้ได้แต่ว่ามันฟุ้งซ่านเราก็รู้ได้แต่มันบุ่นวายเราก็รู้ได้แต่ความเศร้าหมองหรือว่าความเศร้าใจมันรู้ได้เพียงแค่นั้นนะ แต่ตัวจริงลนะ่ะมันเป็นยังไงนะมันอยู่ตรงไหนนะั้นล่ะควรที่จะเข้าไประงับเข้าไปดูกันบ้างที่นี่การที่เราเข้าไปดูเนะี่ยเราจะไปโดยวิธีไหนแล้วจะไปอย่างไรอยู่ๆเราจะเดินเข้าไปดูมันนะแล้วมันจะไปอยู่ตรงไหนและมันจะให้เราดูหรือไม่ การที่เราจะไปดูนะมันก็ต้องมีวิธีการที่ทพระพุทธเจ้าพระองค์เลยทรงบัญญัติเอาไว้นะที่บอกเอาไว้น่ะก็คือให้เจริญภาวนาเ น, นเหมือนกับเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละเราก็นั่งเจริญภาวนานะนะ่ะก็คือนั่งกำหนดใจนั่นแหละ แต่เบื้องต้นมันก็วุ่นวายซะก่อนนั่นแหะก่อนที่เราหลับตาลงไปเนี่ยสารพัดเรื่องที่มันจะมาล้มที่มันจะมาก่อกวนขังแรกทีนี้เมื่อเรารู้ว่ามันลบกวนมันก่อกวนก็เรื่องของมันละ่ะแต่เราก็กำหนดเอาไว้ก่อนพิธีการที่เราจะกทำเนะนย ก็ไม่ได้ทำอะไรที่ไหนมากหรอกมันก็ไม่ได้เอาอะไรที่ไหนมันก็เอาในตัวเองนั่นแหละที่ว่าภาวนาเนะี่ยก็คือกำหนดก็ลมหายใจเข้ากหนดลมหายใจออกของเรานี่แหละอยู่ที่ปลายจมูกนั่นนะอยู่ตรงหน้าเนี่ย ไม่ใช่ว่าจะไปอยู่อื่นไกลเราก็ไม่ได้ไปเอาของใครล่ะเอาของเรานะี่ยนะลมหายใจของเรามันมีอยู่แล้วเจ้โมกของเราก็มีอยู่แล้วลมหายใจของเราก็มีอยู่แล้วใจของเราก็มีอยู่แล้วเราก็เอาของเราแต่ละคนละคนนะไม่ได้ไปเอาที่ไหนะ่ะ แล้วให้กำหนดเข้าไปเวลาหายใจเข้าเราก็ตามรู้เข้าไปเวลาหายใจออกเราก็ตามรู้เข้ามาตามรู้ออกมาก็ทำอยู่เพียงแค่นี้แหละความรู้มันก็รู้อยู่แค่นี้แหละแค่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละถ้ามันมีลมอยู่ เราก็เรียกว่าอยู่เป็นคนได้ถ้าไม่มีลมเราก็อยู่เป็นคนไม่ได้เพราะฉะนั้นลมมันจึงเป็นของที่มีคุณค่ากับชีวิตของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายเราอยู่ได้เพราะลมเมื่อเราอยู่ได้เพราะลมนันเราสนใจลมของเราหรือไม่แต่ละคนละคน วันหนึ่งเคยมากำหนดดูมันหรือไม่และเคยสังเกตมันหรือไม่ก็ไม่มีใครที่จะมาสนใจเฉรยนักแต่ธรรมชาติของเขานั้นจะสนใจก็าตามไม่สนใจก็าตามเขาก็ทำงานของเขาอยู่ตามหน้าที่การเข้าและการออกของเขาเขาก็มีของเขาอยู่ตลอด เราไม่มีการที่จะไปปรับปรุงตกแต่งอะไรให้เขาลาบากและจะลาบากกับเขาเขาทำงานของเขาอยู่โดยธรรมชาติ <c oughs> ที่นี่เราก็เป็นแต่เพียงว่าจะมากำหนดรู้ลมหายใจเข้าใจออกของเราโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะเอาความดีในลมเราก็จะต้องกำหนดลม เวลาหายใจเข้าก็ตามเข้าไปเวลาหายใจออกแล้วก็ตามเข้ามาอันนี้บอกให้ทำไม่ใช่ว่าจะมาสอนเฉยๆให้เราทำตามไปให้กำหนดใจของเรานั่นล่ะทำอย่างนี้เพื่ออะไรก็ให้เข้าใจอีกแล้วก็เพื่อความสงบนั่นแ่ะ ถ้าไม่ต้องการความสงบก็ไม่รู้ว่าจะไปทําเพื่ออะไรการเจริญภาวนาก็เพื่ออะไรก็เพื่อความสงบนั่นแหละความสงบแล้วเพื่ออะไรก็เพื่อจะเข้าไปดูนั่นแหละจะเข้าไปดูต้นขอ ง, ของความรู้นะ่ะมันอยู่ตรงไหนต้นของความฟุ้งซ่านนะ่ะมันอยู่ตรงไหน ต้นของความวุ่นวายเนะี่ยมันอยู่ตรงไหนนะก็เราต้องการที่จะเข้าไปดูตรงนั้นนะแต่ลมนี่เมื่อเวลาเรากำหนดอยู่นี่เราก็ต้องกำหนดไปก่อนต่อเมื่อมันสงบแล้วเนะี่ยมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันหรอกมันไม่ได้เกี่ยวกับลมหรอกมันไปตามท่านผู้รู้เนะ่ตามความสงบเนะี่ะ มันไม่ได้อยู่กับลมเนาะไม่ใช่ว่าเราจะมาภาวนาเอาลมลมเนี่ยมันเป็นเครื่องล้อเฉ ย, เฉยแต่เมื่อมันสงบแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันมันไปอยู่ของมันต่างหากคือไปสงบอยู่ของมันต่างหากเราก็ตามความสงบนั้นแหะเมื่อความสงบมันเข้าไปเพราะการที่เรามากำหนดลม ที่นี่เอความฟุ้งซ่านของพวกเราทั้งหลายเนี่ยความวุ่นวายของเราทั้งหลายเนี่ยนั่นหละมันจะระงับเรียกว่าระงับด้วยความสงบเราจะมาต้องการแต่ความสงบเฉยๆโดยไม่มีวิธีการกระทำแล้วมันจะไปสงบได้อย่างไรใครก็อยากได้แต่ความสงบใครก็อยากได้แต่ความสุข มีแต่อยากจเฉยแต่เราไม่ทำนะไอ้รู้เนะ่ยมันก็รู้ทุกคนไอ้สมถะกรรมฐานก็ดีนิพพานกรรมฐานก็ดีก็รู้กันทั้งนั้นนะที่นี่มันก็วุ่นวายก็วุ่นวายทาั้งทั้งที่รู้นะั่นแหละก็ไม่มีที่นี้มันไม่มีอำนาจที่จะไปบังคับมันได้ด ความรู้ทั้งหลายที่เราศึกษามาเนะี่ยเราจะไปบังคับที่จะมาให้มันวุ่นวายก็ไม่ได้ก็นอกจากที่เราจะทนะําเนี่ยทําให้มันสงบนั่นนะ่ะก่อนที่มันจะสงบได้เนะี่ยเราต้องกำหนดลมที่นี่เมื่อเรากําหนดลมนัน่นเราต้องมีคําบริกรรมไปด้วยนะ คือเวลาหายใจเข้าเราก็ว่าพุทเวลาหายใจออกเนะ่เราก็ว่าโทษคือเราเอาคำเดียวนั่นล่ละเราอย่าไปยุ่งอะไรกับเรื่องอื่นให้มากเราว่าอยู่คำเดียวนั่นและอย่าไปรู้อะไรให้มากคือเราอย่าไปสนภายนอกคือเราสนหัวใจของเราก่อน คือเราเอาใจของเรานี้ก่อนเพราะเรารู้นะั่นน่ะทุกคนมันรู้มาแล้วล่ะธรรมะคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะ่ยเรารู้กันมาทุกคนแล้วทุกคนก็ได้เรียนมาแล้วทุกคนก็ได้ศึกษามาแล้วล่ะพอรู้พอเข้าใจมาแล้วแต่ว่าหัวใจอันที่มันจะสงบนี่แหละมันยังไม่มีใครรู้ และมันก็ยังไม่มีใครได้ที่นี่ความสงบของใจมันเป็นอย่างไรความรู้ของความสงบของใจมันเป็นอย่างไรใจที่มันสงบแล้วมันเป็นอย่างไรอะไรมันเกิดขึ้นจากความสงบของใจนั้นเราก็จะได้รู้นะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปฟังอย่างอื่นเพราะฉะนั้นเราอย่าไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างอื่น คือให้เราทำทำใจของเราอย่างเดียวเท่านั้นละ่ะให้หาใจของเราอย่างเดียวเท่านั้นละ่ะอย่าไปมุ่งอะไรอย่างอื่นที่เราจะมากำหนดลมน่นะกับเพื่อใจนั่นก็เพื่อความสงบนั่นละ่ะเราจะบริกรรมอะไรก็เพื่อความสงบนั่นละ่ะ จะบริกรรมพุทธโธธรมโมสังโกก็ดีจะบริกรรมยุบหนอพองหนอสัมมาอารหังอะไรก็ตามก็เพื่อความสงบนั่นแหละถ้าใจมันสงบแล้วละ่ะเราก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรมากไม่ได้ทําอะไรมากก็มีจะรักษาความสงบจอนนั้นนะให้มันมั่นคงเท่านั้นเมื่อรักษาความสงบมันคง หรือมันแ น, น่นอนนั่นเขาเรียกว่าสมาธิก็สมาธิมันไม่ใช่ว่าอยู่นอกมันอยู่นอกของใจนะสมาธิมันก็คือใจของเรานั่นแนะ่ะมันตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นก็ตั้งมั่นในความสงบนั่นแนะ่ะเมื่อจิตของเรามันมีความสงบแล้วนะ่นะแล้วมันจะมีอะไร ในความสงบนั้ น, นเราค่อยดูเอาสิค่อยรู้เอาสิความพุ่งซ่านนะที่มันเคยพุ่งซ่านมาที่มันเคยคิดมากมาเนะี่ยต่อเมื่อความสงบมันเข้าไปบรรจุในหัวใจของเราแล้วเนะี่ยความพุ่งซ่านเนี่ยมันก็หายไปสิที่ใ น, นมันก็รู้ว่ามันความพุ่งซ่านเนี่ยมันหาย และอะไรมันจะเกิดขึ้นจากที่มันสงบนั้นนะ่ะที่มันพุ่งสร้างหายไปนะอะลยมันจะเกิดเราก็ไปรู้เอาตรงนั้นอันที่มันจะเป็นธรรมะที่มันจะเกิดขึ้นในตัวเองนะ่ที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เลยกล่าวไวน้นล้วว่าสันชิตจิโก <c oughs> ผู้ปฏิบัติดีแล้วนะ่ ย่อมรู้เองและเห็นเองมันก็จะรู้ตรงนั้นสิก็รู้ตรงที่มันสงบนั่นแ่ะก็เหมือนกับเราที่กําลังนั่งอยู่เนี่ยมันคิดอยู่เดี๋ยวนี้แหละมันปรุงมันแต่งอยู่เดี๋ยวนี้แหละก็มันก็รู้เองมัน่ะมันไม่ใช่ว่าคนอื่นมารู้อ่ะและมันก็ปรุงของมันเองและมันก็แต่งของมันเองเราก็รู้ของเราเองเนี่ย นี่เฉพาะความคิดโดยธรรมชาติจึงมันคิดอยู่แต่เมื่อมันสงบแล้วเนะ่ะความปรุงแต่งนึกคิดอันนี้นะมันจะระงับดับไปนะแล้วอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในเมื่อที่มันระงับแล้ว น, ะนั้นนะเราไปค่อยเจ็บเอาตรงนั้นนะเจ็บเอาธรรมะที่มันเป็นของจริงนะ ความส e ุขมันก็จะเกิดขึ้นตรงนั้นแ่ะเราก็จะเห็นความสุขเราก็จะเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นในตัวเองเมื่อเราเห็นความสุขและเห็นความดีที่มันเกิดขึ้นในตัวเองอะที่นี่เราก็ไม่ได้เข้าใจว่าความดีนะมันอยู่ที่อื่นนะสิมันก็อยู่ในตัวเองเนี่ย มันก็ได้รู้มันก็จะได้เข้าใจตรงนี้สิที่นี่เราก็ไม่ได้ไปหาที่อื่นที่นี่เราก็หาเฉพาะ เ, เฉพาะความดีอันที่มันมีอยู่ในตัวเองเนี่ยคือหัวใจวเราแต่เบื้องต้นนี่แหละมันยากคือยากที่จะเอาใจตัวเองเ ย, ยากที่มันจะให้มันสงบระงับ มีความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิอันนี้มันยากแต่เบื้องต้นแต่เมื่อมันสงบไปแล้วนะเราจะได้รู้ของเราเองหอกแต่เราก็จะต้องพยายามทำไปก่อนก็อย่าไปรีบร้อนแล้วก็อย่าไปร้อนใจ เรามุ่งประเด็นเข้าไปคือความสงบอยู่จิตถ้ำกลางหน้าอกของตัวเองนั่นแหะความสงบมันไม่ใช่ว่าเป็นอยู่ที่อื่นแหละมันอยู่ที่ตรงนั้นแหละเราอย่าได้ส่งจิตของเราออกไปข้างนอกค่ะมันเสียเวลาอย่าไปหาธรรมะข้างนอกค่ะมันเสียเวลาธรรมะนะ่ยมันเต็มอยู่ในถ้ำกลางหน้าอกของเรานี้แหละ ทำแปดหมืนสี่พันพอทำมขัเขาก็ยังสรุปแล้วว่าก็อยู่ที่ใจใครๆก็สรุปเข้ามากวัดอยู่ที่หัวใจแม้แต่องค์สมเด็จพระผูมีพระภาคเจ้าพระองค์ก็บอกว่าอยู่ที่ใจเราก็สรุปเข้ามาได้อยู่แล้วที่นี่ <c oughs> ที่นี่เมื่อเราไปหาที่อื่นนอกจากหัวใจ ที่นี่เราจะไปเห็นธรร ม, มะหรือธรร ม, มะแปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์ที่ว่าอยู่ใจเนี่ยเมื่อเราไปหานอกหัวใจแหละธรรมเหล่านั้นมันจะเห็นหรอเพราะเรามันไปหาไม่ถูกที่ธรร ม, มะอยู่ที่หัวใจแต่เราไปหานอกใจ เ, เพราะฉะนั้นล่ะจึงอยากให้บรรดาท่านชาวพุทธทั้งหลายนะ ทำใจให้สงบซะก่อนอย่าพึ่งร้อนใจอย่าพึ่งอยากรู้อะไรมากรู้เฉพาะหัวใจของตัวเองนั่นนะคอยสังเกตดูหัวใจของตัวเองนั้นนะอย่าไปสกอย่าไปรู้อะไรให้มันมากอย่านำความรู้ภายนอกเขามาลบควรความสงบของตัวเอง พยายามดูมันตรงนั้นนะสังเกตตรงนั้นละ่ะเราก็เอาคำบริกรรมนั่นจะเป็นพุทธโธก็ดีแต่โดยมากครูบาอาจารย์ที่ท่านไปอยู่ในป่าดงคงลึกท่านก็ไม่ได้เอาอะไรละ่ะท่านก็เอาบริกรรมก็คือพุทธโธนั่นะ นำเอาองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้ามาประทับที่หัวใจของตัวเองเราก็เอาใจของเรานั่นแหละลองรับออกองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เอาหัวใจของเรานันสิเมื่อพระองค์สเสด็จมาล่ะพระองค์นำอะไรมากับพระองค์ก็นำอเอาแต่ความสงบเนี่นะ พระองค์ก็นำเอาแต่ความดีเนะี่ยมาที่มาประทับหัวใจเรานะ่ะพระองค์ไม่ได้เอาความวุ่นวายมานะพระองค์ก็นำเอาแต่ความสงบนะี่ยเราก็เอาหัวใจของเราสิ่รองรับสมกับคำที่เร า, าพุดทางสตระนังขันธามิก็ขอพระพุทธเจ้าเป็นสตณ ะ, ะและเป็นติพึ่งของเรานะ ก็เราก็ต้องเอาใจของเราทีรองรับถ้าพระพุทธเจ้าสเสด็จเข้ามาล่ะท่านก็มาด้วยความสงบเมื่อท่านมาด้วยความสงบใจของเรามันก็สงบเนี่ยพอเมื่อมันสงบแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในความสงบมันก็มีแต่ความสุขนะเพราะนั้นแหละสีแสดงว่าพระพุทธเจ้านำความสุขมาให้ ท่านไม่นํานำความทุกข์มาให้เราก็ต้องลองรับเอาก็อเอาใจของเราเท่านั้นรับถ้าเราไม่เอาใจของเรารับลองพระพุทธเจ้าท่านจะเสด็จมาที่ไหนและเราจะไปพึ่งพระพุทธเจ้าที่ไหนพระพุทธเจ้าเป็นตนเป็นตัวมาให้เราพึ่งหรือก็อไม่ใช่ พระองค์ไม่มีตนมีตัวเนี่ยก็ <c oughs> มีจะเอาใจท่านนะ่ะรับรองพระคุณของท่านโอบัญญิกโก้ก็น้อมเข้าไปสิเอหิปติโกก็เรียกเข้ามาสิก็เรียกเข้ามาสู่หัวใจเรานั่นะก็น้อมเข้าไปสู่หัวใจเรา น, นั่นถ้าจะตังเราก็รู้เฉพาะตนนะรู้อะไรนาะก็รู้ความดีดน ความดีที่มันมีอยู่ในตนนะมันไม่ใช่อยู่ข้างนอกนะให้เราท่านทั้งหลายคิดในดีนะสาบสนาพภพของเรานะอยู่หัวใจของเราทุกคนนะจะเป็นหญิงก็าตามชายก็าตามจะเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็าตามจะเป็นฆรวาสก็าตามคุณธรรมคือหัวใจนะ่ะมันคุณค่าเท่ากันนะ คือมันอยู่ที่ใจอันเดียวกันนะใจนี่ไม่ใช่หญิงใจไม่ใช่ชายใจไม่ใช่คารวาตใจไม่ใช่พระมันมีแต่ตัวรู้เท่านั้นนะแต่ส่วนสมมตินะสมมติเทศมันก็เป็นธรรมดาไอ้คนเรื่องสมมตนะิแต่ตัวจริงๆเราคือใจนะ่ะคือตัวรนะนะู้นั่นมันไม่มีอะไรหรอก จะเป็นพระก็ไม่ใช่เป็นฆระวาสก็ไม่ใช่เป็นหญิงก็ไม่ใช่เป็นชายก็ไม่ใช่มันมีแต่ตัวรู้เฉยๆนั้นแหะมันพร้อมไปหมดในเมื่อที่มันเข้าไปบรรจุได้แล้วนะ่ะคือคุณธรรมที่ไปบรรจุได้แล้วมันพร้อมหมดมันไม่ได้เลือกใครทางนั้น ไม่ได้เลือกว่าผู้หญิงไม่ได้เลือกว่าผู้ชายไม่เลือกคารวะไม่เลือกผสม อ, องคจะเรื่องของความสงบเรื่องของคุณธรรมมันมีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงทําความสงบนี้หละ่ะให้มันสมบูรณ์ให้มันพร้อมมันเป็นที่รวบรวมของธรรมะ ธรรมะทั้งหลายจะเป็นธรรมะชั้นต้นก็นตามชั้นกลางก็ตามบ้านปลายก็ตามก็รวมแล้วก็แปดหมืนสี่พันเทธรรมะขันธ์มันก็มารวมอยู่ตรงนี้แี่ะกับที่เดียวนี้แหละเพราะฉะนั้นเราจึงทาใจของเราให้เป็นภาชนะทองก็รองรับเอาอสี่ ลองรับเอาทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะทั้งแปดหมื่นสี่พันระธรรมคันธ์ก็คือตั้งให้มันมั่นคงนั่นละ่ะก็คือให้มันเป็นสมาธินั่นแหละก็าเป็นสมาธิล้วมันก็รวมหมดแลยสิเดี๋ยวนี้จิตของเรานะ่มันก็จัดกระจายมีแต่มองหาข้างนอกธรรมะก็อยู่ข้างนอกสวรรค์มันก็อยู่ข้างนอก นิพพานมาันก็อยู่ข้างนอกมันไม่ใช่ของที่อยู่ข้างนอกนะถ้าพิจรารณาไปตามกาเสธธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้ามันอยู่ที่ตรงทํากลางหน้าอกนี่หมดเลยคืออยู่ที่หัวใจของเราในหมดเลยไม่ได้อยู่ที่อื่นไกลหรอกถ้าใจพีดอก ทั้งสามปีดกก็อยู่ตรงนี้แหละก <c oughs> ็รวมแล้วก็แปดหมืนสี่พันพระธรรมขันธ์เนี่ยสวรรค์หกชั้นมันก็อยู่ตรงนี้แหละธัมมะโลกสิบหกชั้นมันก็อยู่ตรงนี้แหละมรรคสี 4, พ้นสีนิพพานหนึ่งมันก็อยู่ตรงนี้หลก็ตรงที่ท่ามกลางหน้าอกเรา่นี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปท่ามกลางนาอกได้เนี่ย กอมันแสนจะเข้ายากท่านก็จึงให้ทำสมถะกรร ม, มาฐานนั่นนหะสมถะกรร ม, มาฐานก็ให้บริกรรมนี่แหละจะให้ภาวนาเ น, นี่ยพุทธเข้าไปโธออกมาพุทเข้าไปโธออกมาหรือว่าพุทธโธพุทธโธ ใ, ใจใจหรือว่ากําหนดลมหายใจเขา้าใจออกก็ทํามันอยู่เยียงแค่นี้ก็ยาพึ่งยากไปรู้อย่าอย่าพึ่งไปอยากรู้อะไรให้มาก เอาให้มันอยู่ตรงนี้เสก่อนสิ่เอาให้มันเข้าไปในถ้ำกลางหน้าอกของตัวเองเสก่อนว่ามันจะมีอะไรอยู่ในตรงนี้แล้วมันมีอะไรมันสารพัดมันเต็มอยู่ตรงนี้ทั้งนั้นลหละกิเลสทันหาตัณหาร่อยแปดก็อยู่ตรงนี้แหละมรรคสีผลสีนิพพานหนึ่งมันก็อยู่ตรงนี้นะ ก็เราจะไปหาอะไรข้างนอกนะเราก็หาตรงนี้สิแต่การหานั้นอย่าพิ่งไปดิ้นก็คือให้มันสงบเข้าไปก่อนสินำความสงบเข้าไปก่อ น, นถ้าเรากำลังวุ่นวายอยู่กับเมื่อไรธรรมะจะเข้าไปหาเราถ้าเราฟุ้งซ่านอยู่กับเมื่อไรธรรมะมันจะเกิดขึ้นจากเรา แต่ธรรมะมันก็ปราศจากความวุ่นวายธรรมะมันก็ปราศจากความผงซ่านมันเป็นความเยือกเย็นมันเป็นความสุขอันมหาศาลต่อเมื่อใจของเรามีความสงบเท่านั้นแะแต่มันยากอยู่ความสงบนี้เท่านั้นละ่ะนั้นแ่ะจึงได้บอกให้บรรดาท่านพุทธศาสนกชนทั้งหลาย ให้เราทำใจของเราเนี่ยให้มีความสงบนั้นให้มากส่วนธรรมะ <c oughs> ที่ท่านทั้งหลายนะ่ะรู้มาเนะี่ยมันมันพอแล้วล่ะมันรู้แล้วล่ะแต่ว่าความสงบของใจนี่แหละมันยังไม่ปรากฏในในหัวใจของตัวเองมันจึงมีความละบากใครก็อยากได้กันทั้งนั้นแหะ ใครก็ต้องการกันอย่างนั้นน่ะก็ต้องการความสุขนี่แหละตลอดถึงความพ้นทุกข์ก็ต้องการทั้งนั้นแหละแต่ว่ามันจะพ้นได้หรือไม่พ้นได้นะันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ความต้องการมันก็นี่ต่อเมื่อจิตของเราปราศจากความสงบตั้งมันเป็นสมาธิล่ะมันไม่อยู่กับตัวเองเล่ะทีนี้เราจะเอาใจของเราหนีได้อย่างไร ถ้าเราจะเอาหนีมันก็วิ่งหนีจ้ะถ้าเราได้ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิสมบูรณ์ดีแล้วเนี่ยเราจะซักฟอกจิตของเราสะอาดโดยวิธีใดเนี่ยอันนั้นมันเป็นเรื่องของตัวเองน่ะความรู้และปัญญามันก็จะเกิดขึ้นเมื่อเราซักฟอกจิตของเราได้สะอาดหมดหมดจดบริสุทธิ์ดีแล้วเน่ะ ที่นี่เราจะนำจิตของเราไปไหนล่ะอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของตัวเองนะมันไม่ใช่คนอื่นเขาจะไปเอาจิตของเราไปฝากไปตรงนั้นไปฝากไปตรงนี้นะและส่งไปตรงนั้นส่งไปตรงนี้นะมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องของตัวเอง <c oughs> <c oughs> พอเราได้แล้วเนี่ยเราจะต้องการไปไหน แล้วก็ไปเอาเองที่ว่าปัจจตังก็เราก็รู้เฉพาะตนและเราก็จะเห็นเฉพาะตนเราก็จะได้เฉพาะตนเราก็จะไปเฉพาะตนที่ว่าปัจจตังถ้าเราเอามันได้ล่ะเราจะเอาไปไหนก็เอาไปสิเราก็ลากมันดึงออกอาลากดึงออกจากนระกมาแล้วเนี่ย ก็เมื่อมันอยู่แล้วมันไม่ได้ไปแล้วนี่ยที่นี้เราจะไปยังไงเราก็เอาไปสิความรู้มันก็เต็มภูมิแล้วเนี่ยความรอบคอบในตัวเองมันก็รอบคอบในตัวเองของมันหมดแล้วก็ต่อเมื่อมันอยู่แล้วมันก็รอบคอบหมดมันจะไปไหนที่นี่เพราะมันรวมหมดแล้วเนี่ยความสะอาดหมดจดนั่นแะมันก็รู้ของมันเองสิ แต่กิเลรดแต่มันก็ไม่ยอมที่จะให้เราไปง่ายๆตอนนั้นแต่มันก็ต้องแสดงบทบาทของมันซะก่อนบางทีมันก็ขัดเราบ้างบางทีก็ส่งเสริมเราบ้างบางทีมันก็มาแสดงอะไรที่ไม่ดีไม่งามให้เราบ้างแสดงให้เรากลัวบ้างแสดงให้เราสงสัยบ้างก็ในตัวของมันเองละมันแสดงที่มันมาแสดงอย่างนั้นก็เพราะอะไร เพราะมันต้องการให้เรารู้นันน่ะมันก็ต้องการอยากให้เราหนีจากมันน่ะที่มันแสดงมันก็แสดงเหตุนี่ถ้ามันไม่แสดงเร้เราก็ไม่รู้มันอีกที่มันแสดงมาแล้วนั่นเราก็อย่าไปกลัวมันคือเรามีหน้าที่ที่จะรู้มันและหน้าที่ที่เราจะหนีจากมัน เราก็อย่าไปกลัวมันจิที่ี้เมื่อเราไปกลัวในเมื่อที่มันแสดงละต่อไปเราก็เลิกแล้วเราก็ไม่ทำไม่ทำก็เลยอยู่กับมันที่มันแสดงออกมาเนะ่ยมันก็แล้วแต่มันจะแสดงออกมาบางทีมันก็หาไปเรียบเรียบบางทีมันก็ขัดอันนี้มันเป็นเรื่องของกิเลส ก็มันจะทำให้เรารู้ภายในนั่นแหละกิเลสมันก็อยู่ข้างในพระธรรมมันก็อยู่ข้างในแต่เราก็จะไปสู้กันกับเขานั่นและเราก็จะไปเห็นกับเขานี่ยการนั้นน่ะสิที่ี้เมื่อเราไม่ต้องการที่จะไปพบเห็นอะไรกับเขาเสียเลยที่นี้ก็ไม่รู้ว่าเราจะไปหาอะไร เราก็หาก็หาธรรมะก็คือหาจีเลสอย่างนั้นแล้วีเลนี่หละคือธรรม ะ, รรมะเราก็เอาตรงนี้เดีสิเพราะฉะนั้นจึงให้กำหนดที่จิตใจของเรานี่เแต่ละท่านเอาใจของเรานี่แหละให้มันมัน่นคงเอาใจของเรานี่แหละให้มันเป็นสมาธิไะอย่าไปคิดอะไรให้มันมากเถอะ มันเสียเวลาเราอายุอนามของเราทั้งหลายน้่มันก็ผ่านมามากแล้ว่ะก็คงจะไม่เหลือเท่าไรแล้วข้างหน้าการไปของเราที่จะไปหาความสุขนี่จะได้ธรรมะมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้พร้อมกันอะมันก็ได้กันทีละคนละคนเท่านั้นะคนสองคนมันก็ได้ตามหลังกันไปตามหลังกันไปเท่านั้นจะให้มันพร้อมกันมันเป็นของระยะ เพราะฉะนั้นเรื่องของจิตเนี่ยมันเป็นของที่ควรรู้เราจะไปรู้เฉพาะแต่ธรรมะอย่างเดียวแต่จิตใจของเราไม่รู้เราจะไปแก้ไขอะไรที่ไหน ในเมื en, да, Superman, at, ่อมันเกิดความเดือดร้อนขึ้นมามันไม่ได้ไปเดือดร้อนในตําลาความเดือดร้อนอะมันเดือดร้อนในหัวใจในเมื่อจิเลตมันเผามันก็เผาที่หัวใจมันไม่ได้เผาในตําลาเมื่อธรรมะมันก็จะเกิดจริงๆมันก็ไม่ได้เกิดในตําลาก็มันเกิดในหัวใจ ใจของเราเป็นผู้ไปสุขติสวรรค์ใจของเราเป็นผู้ไปพธมโรคหรือไปนิพพานไม่ใช่ตำลาไปสวรรค์ไม่ใช่ตำลาไปนิพพานคือใจของเราเราอย่าไปคิดว่าตำลานั้นจะพาเราไปแต่ตำลานั้นท่านบอกให้เราไปบอกขนทางให้เราไป แต่เราเป็นผู้ไปเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายนะั่ะอย่าไปเข้าใจแต่ว่าเราได้ตำลาแล้วแล้วใจของเราจะเป็นไปเหมือนอย่างตำลาที่เราได้รู้มาก็หาไม่ถ้าเราไม่ฝึกฝนและประปรุงจิตใจของเราให้เป็นไปตามคำแนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนะ่ะมันก็ไปได้ยาก ที่พระองค์ได้ทรงสอนเอาไว้ก็เพื่อต้องการอะไรก็ต้องการให้เราทําความสงบนี่แหละก็เอาความสงบนี้แหละก่อนแต่ว่าการให้การให้ทานการรักษาสินเราทํากันมาอยู่แล้วเป็นอาจินแล้วยังเหลืออยู่อันนี้แหละทันภาวนาใหม่บุญสําเร็จโดยการภาวนา มันยังเหลืออยู่เท่านี้แหละถ้าเราทำตอนนี้ได้นะเรียกว่าเป็นการยกยอดยกยอดของบุญทั้งหลายนก็คือภาวนาใหม่บุญสําเร็จโดยการภาวนาเพราะทำทั้งหลายนะั่นะมันอยู่ที่หัวใจนะแต่เราจึงมาทำตรงนี้แหละ เพราะฉะนั้นเราคุธบริษัททั้งหลายนะอย่าพากันส่งจิตส่งใจออกนอกเหนือจากหัวใจตัวเองถ้าเราไปหานอกหัวใจเราแล้วนะเราจะไม่ได้ไประสบการอะไรเลยจะได้แต่ความรู้เท่านั้นนะแต่หัวใจของตัวเองนั้นจะไม่รู้เราจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัวอย่างไร และมันมีตนมีตัวหรือไม่เราจะไม่เห็นจะเห็นแต่เมื่อมันมีความเดือดร้อนจะรู้แต่เมื่อเวลามันวุ่นวายรู้ไว้แต่เมื่อเวลามันฟุ้งซ่านเ่านนแต่ตัวของความฟุ้งซ่านมันเป็นยังไงตัวของความวุ่นวายมันเป็นยังไงและมันมาจากที่ไหนและต้นมันเป็นยังไง <c oughs> มันไม่มีใครรู้นะ มันมีใครเห็นนะมันก็มีแต่ว่าเรารู้ตามตำลับตำลาเฉยๆแล้วก็ได้ยินกันมาตามลำดับลาดับเฉยๆนะแต่ที่มันจะเห็นจริงๆเนี่ยที่เราจะไปแก้ปัญหาตัวเองซึ่งมันเกิดขึ้นในตัวเองเนี่ยมันยากนโะดยมากไม่มีใครเห็นแต่ความรู้นั้นรู้อยู่แต่การเห็นเนี่ยมันยาก ที่มันยากขพร อ, อะไรที่มันไม่เห็นเพราะอะไรก็เพราะจิตของเราจงขาดความตั้งมัน่นขาดความเป็นสมาธิขาดความเป็นาขาดความสงบมันจึงไม่ได้ปรากฏในตัวเองถ้าเรามาทำจิตของเราให้มีความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิแล้ว <c oughs> สิ่งทั้งหลายเราก็จะต้องปรากฏในตัวเองเราจะรู้ตัวเองว่าจิตของเรามันเป็นยังไงมันมีลักษณะอย่างไรอันนี้เราจะต้องรู้เราเองไม่ต้องไปถามใครแต่ละคนก็ต้องรู้ด้วยตัวเองเนละจะไปรู้คนอื่นนะมันยากใครจะไปรู้จิตคนอื่นใครจะไปเห็นจิตคนอื่นไม่เห็นมันเป็นของยากแม้จะเรานั่งอยู่ด้วยกันนี่หละ แล้วมีใครล่าเห็นจิตใครใครเราคิดอะไรใครรู้ล่ะมันไม่มีใครรู้นะไม่มีใครเห็นแต่ว่าตัวของตัวเองนั้นเห็นตัวเองร้อนก็รู้ในตัวเองบุ่นวายก็รู้ในตัวเองไม่สงบก็รู้ในตัวเองสงบก็รู้ด้วยตัวเองดีใจก็รู้ในตัวเองไม่ดีใจก็รู้ด้วยตัวเอง อันนี้เป็นเรื่องของตัวเองโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแม้แต่ความสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิหรือว่าคุณธรรมที่จะเกิดขึ้นให้แต่ละคนละคนนะมันจึงเป็นเรื่องของตนโดยเฉพาะไม่ใช่เรื่องของคนอื่นดังนั้นหละพระพุทธเจ้าจึงสอนเราทั้งหลายนะให้เจริญภาวนาสมาธินะ ให้มีความสงบตั้งมั่นโดยเฉพาะแล้วเราก็จะรู้เห็นโดยเฉพาะและเราก็จะไปโดยเฉพาะจะไปอาศัยใครไม่ได้นี่คำสอนพรพุทธเจา้าที่ในการทำเราก็ไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยก็เหมือนกับบอกเบื้องต้นก็คือมากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ย แล้วก็มีคําบริกรรมตามไปด้วยหายใจเข้าไปก็พุทธออกแล้วก็โทกับคาเดียวเท่านั้นก็ว่ามันอยู่นั้นแหละจนมันสงบนั้นนี่แหละวิธีการกระทําแต่เมื่อมันสงบไปแล้วเราค่อยว่ากันที่หลังว่ามันมีอะไรเกิดเกิดในความสงบนั้นค่อยว่ากันที่หลังแต่จะไปรู้ก่อนมัน ถ้าไปรู้ก่อนมันละมันไม่ได้และมันก็ไม่เป็นอีกล่เว่าชานมันเป็นอย่างนั้นแล้วปัญญามนเป็นอย่างนั้นไอ้นั่นก็เป็นอย่างนั้นกสินเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เลยไปรู้ซะก่อนได้เลยมันก็เลยไม่เกิดลองให้มันสงบดูสิว่ามันจะเป็นยังไงชานมันจะเป็นยังไงญานมันจะเป็นยังไงกัศินมันจะเป็นยังไงใจมันจะเป็นยังไงสติมันเป็นยังไงสัมปชัญญะเป็นยังไงปัญญามันเป็นยังไง ก็ลองให้มันสงบดูก่อนสิมันจะทันกิเลสไหมมันจะรู้เท่าเอาทันไหมก็ให้มันสงบดูก่อนิที่นี่เราก็ไปกลัวความสงบกันเสียหมดก็หาว่ามันไม่ดีไปอีกเลยหาว่ามันใช้ไม่ได้ไปอีกก็ไปกลัวกันเสียหมดก็กลัวความสงบก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอีกเลยไม่รู้จะว่าไงอีกล ก็คำสอนของพระพุทธเจ้าก็บอกว่าให้ทําความสงบที่นีนเมื่อเราจะมาทําความสงบเราก็มากลัวมันซะก็เมื่อมากลัวแล้วก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้จะบอกอยังไงอีกไม่รู้จะพาทําอะไรอีกก็จะว่าจะทําบุญก็ว่าจะพาจะทําบุญแตว่าความสงบกกลัวความสงบซะแต่ว่าก็อยานได้ก็ไม่รู้ว่าจะพาทําอะไร นี่มันก็พูดกันยากถ้าทำแล้วก็อยากได้ไวๆก็อยากได้ไว้ก็ดูใจตัวเองที่มันจะได้หรือเปล่าล่ะก็ไม่ได้คิดนี่แหละให้รู้เท่าเอาทันเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในตัวเองอย่างนี้แหละเพื่อจะได้แก้ไขาปัญหาของตัวเองเพื่อจะได้ระงับยับยั้งค่อยๆเป็นค่อยๆไปก่อนทีดังนั้นล่ะ ขอให้บรรดาท่านทั้งหลายนั่นแหละให้พากันเข้าใจในหลักของการปฏิบัติและหลักของการฟังธรรมอย่าไปฟังเฉยๆให้มีการกำหนดไปด้วยแล้วปฏิบัติไปด้วยนะเป็นการช่วยเพื่อประโยชน์ที่มันจะเกิดขึ้นแก่ตัวเองอันที่เราจะพึงได้พึงถึงก็คือบุญกุศลนั่นนะก็คือธรรมะนั่นแหละ ก็เพระเราต้องการธรรมะเราก็ต้องได้ธรรมะถ้าเราจะฟังเฉยๆมันก็ได้ฟังเฉยๆก็ได้แต่ความรู้แล้วแล้วกัวนไป <c oughs> แต่เวลาไปปฏิบัติมันก็เลยไม่รู้ปฏิบัติยังไงมันก็เป็นไปอย่างนั้นอีกแหละก็สงสัยกันอยู่นั่นในเรื่องปฏิบัติก็เลยโห o กันไปโน่นโห o กันไปนี่ทั้งๆ ท, ที่มันอยู่กับตัวเองก็ยังทําอะไรไม่ได้ฟังมาแล้วไม่รู้กว่ากี่ร้อยครั้งกี่พันครั้ง แต่เวลาทําก็ยังทําไม่เป็นทาแล้วก็ยังสงสัยยังไปถามคนอื่นอีกี่ยนี่ก็เพราะอะไรเพราะเราก็มีแต่ความรู้แต่ภาคของการปฏิบัตินั้นเรายังไม่เรียบพร้อมเพราะฉะนั้นนะที่ได้ชี้แจงสแสดงมานะเพื่อให้เราทั้งหลายที่ได้ใจเข้าใจในการปฏิบัติ แล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้กำหนดจดจำเอาไว้เท่าที่บรรยายมาก็สมควรแก่กาลเวลาขอยุติในการแสดงธรรมเทศนาเอาไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยโดยการกชน่ห์